เจรอนพอรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่กทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาสร้างบุญสร้างกุศลมาเสริมศรัท ธ, ธาความเชื่อวิริยะความอุตสาหะให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะศรัท ธ, ธานี้เป็นธรรมที่สำคัญต่อผู้ที่ ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นผู้นำทางถ้าขาดศรัทธาก็จะไม่มีความมั่นใจว่าผู้ที่นำทางนั้นจะสามารถนำตนไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนปรารถนาได้ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อมั่นว่า ผู้นำจะนำพาตนไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปรารถนาได้ก็จะมีวิริยะคือความอุตสาหะความภาคเพียรมีความมั่นใจมีความแน่วแน่มั่นคงต่อการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของผู้นำ ในทางพระพุทธศาสนาวิธีที่จะสร้างศรัทธาความเชื่อให้แก่กล้าขึ้นมาก็คือการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า mm. เช่นการฟังทพธรร ม, มเทศนาอย่างที่พวกเราทั้งหลายกำลังได้ทำกันอยู่ในขณะนี้เพราะเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้ว เราก็จะขจัดความลังเลสงสัยที่มีอยู่ในใจของเราได้พระพุทธเจ้าทรงเห็นความสำคัญต่อการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นอย่างยิ่งจึงได้ทรงบัญญัติวันธรรมสวัสไว้ให้ญาติโยมพุทธบริษัทได้เข้าวัดเพื่อมา ฟังเทศฟังธรรมธรรมมัตสวนณะก็คือการฟังธรรมนั่นเองทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมมัตสวนังเอตัมมังกาลมุตตะมังการได้ยินได้ฟังธรรมตา ม, ตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตดังนั้นพวกเราทางพระพุทธศาสนาจึงมีวันพระกัน คาว่าวันพระก็วันธรรมวัวนะนี้เองที่ทรงบัญญัติไว้ทุกเจวันหรือ8ดวันหรือในบางกรณีก็6วันตามจันทรคติตามปฏิทินทางจันทรคติวันขึ้นแปดค่ำวันแรมแปดค่ำวันขึ้น15บห้าค่ำวันแรมส5บห้าค่ำหรือวันแรมส4ส่ค่ำ เป็นวันธรรมมะสวนาะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆที่ได้ทำมาตอลอดระยะเวลาหกถึงเจ็ดวันที่ผ่านมาเพื่อจะได้มีเวลามาวัดมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ เกิดปัญญาความฉลาดเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพื่อกำจัดความลังเลสงสัยในการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าขจัดความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่ขจัดความลังเลสงสัยว่าพระอริยสงสาร มีจริงหรือไม่เพราะเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เองเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทุกครั้งที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วเราก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจ ความลังเลสงสัยต่างๆก็จะค่อยหมดไปเพราะเมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติตามเราก็จะเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติเมื่อเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะทำให้ความเชื่อนี้มีความมั่นคงมากขึ้นไป จนเป็นความเชื่อที่ไม่มีวันเสื่อมคลายเพราะได้พิสูจน์ด้วยเหตุด้วยผลแล้วด้วยการปฏิบัติแล้วปฏิบัติอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้ก็จะรู้ว่าทุกบททุกบาตของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ล้วนเป็นสวัาขาโตภะวตาธรรมโจริงๆคือตัดไว้ชอบแล้ว คำว่าชอบนี้แปลว่าถูกต้องตามความจริงแล้วนั่นเองนี่คือเรื่องของการเจริญก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นที่ศรัทธาเริ่มต้นที่การได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากในสมัยปัจจุบันนี้ทางโลกได้เปลี่ยนการ วัดวันเวลาจากระบบจันทราคติมาสู่ระบบสุริยคติคือมานับวันตามวันจันวันอังคารวันวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์กันและมีวันหยุดวันตามวันเสาร์วันอาทิตย์กันดังนั้นวันพระของพุทธศาสน ของพระพุทธศาสนาจึงมักจะไม่ตรงกับวันหยุดการทำงานของาาศรัทธาญาติโยมในสมัยใหม่นี้ก็เลยทำให้ญาติโยมที่ที่ต้องทำงานในวันพระไม่ได้มาวัดกันเลยห่างเหินจากวัดไปทำให้จิตใจมืดบอดมีความเห็นผิดเป็นชอบ เพิ่มมากขึ้นมีความหลงในสิ่งที่ไม่ได้เป็นความเจริญที่แท้จริงมากขึ้นก็คือหลงไหลในด้านวัตถุต่างๆหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหาความสุขจากความเจริญในลาบยศสารเสริญแต่หารู้ไม่ว่ามันไม่ได้เป็นความเจริญที่แท้จริง แต่กลับเป็นทางที่นำไปสู่ความทุกข์ความสูมเสียสังคมทุกวันนี้จึงมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนมากกว่าสังคมในอดีตสังคมของปุยยาตายายเรานั้นเขายังมีวันหยุดในวันพระกันเขามีโอกาสได้เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมทุกวันพระ พอมีแสงสว่างนำทางให้เขาได้นำเนินชีวิตของเขาให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่พวกเรานี้ทุกวันนี้เราไม่ค่อยมีความร่มเย็นเป็นสุขกันเท่าไหร่มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเพราะใจของเราถูกความหลงฉุดลาก ให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆนั่นเองเรื่องต่างๆที่ใจเราไปเกี่ยวข้องนั้นร้วนมีความทุกข์ความกังวลใจอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วพอเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องเกิดความทุกข์เกิดความกังวลใจขึ้นมา ท, ทันที <c oughs> ดังนั้นสําหรับพุทธศาสนิกชนผู้ที่ฉลาด เราก็ควรที่จะต้องปรับวันพระของเราคือแทนที่จะใช้วันพระตามวันขึ้นแรงตามปฏิทินจันทรคติเราก็ต้องปรับวันพระของเราให้ตรงกับวันหยุดของเราเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็กาหนดว่าเป็นวันพระของเราแทนก็ได้เพราะวันพระนี้เป็นวันไหนก็ได้ไม่ได้จาเป็นว่าจะต้องเป็นวันขึ้นแรงแต่อย่างใด วันพระนี้หมายความว่าเป็นวันหยุดจากการทำงานทางโลกเพื่อมาทำงานทางธรรมะมาทำงานทางด้านจิตใจเราก็ไปวัดที่เขามีกิจกรรมที่เหมือนกับมีในวันพระอย่างเช่นวัด น, นี้จะมีกิจกรรมในวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกับวันพระคือมีการทำบุญตักบาต มีการฟังเทศฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมมีการสนทนาธรรมกันดังนั้นถ้าเรากำหน ด, ดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไว้เป็นวันพระก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ามันไม่เหมือนกับในอดีตเท่านั้นเองในอดีตเขากำหน ด, ดตามวันแรงขึ้นวันขึ้นวันแรง แต่เราสมัยนี้ต้องกำหนดตามวันหยุดของเราเพื่อเราจะได้เข้ามารับแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อเราจะได้ไม่ถูกความมืดบอดถูกความหลงพาเราไปสู่ความหายณนะพาเราไปสู่ความทุกข์พาเราไปสู่ความเสื่อมเสียพาเราไปสู่ ไฟอันตรายทั้งหลายถ้าเราไม่มีแสงสว่างก็เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางในยามค่าคืนถ้ารถเราเกิดไฟเสียขึ้นมาเราก็จะขาดความมั่นใจเราก็จะไม่มั่นเราก็จะเกิดความหวาดกลัวกลัวว่าถักขับไปแล้วอาจจะแหกโค้งหรืออาจจะไปชนสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ เพราะไม่มีแสงสว่างนำทางชีวิตของเราจิตใจของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้านำทางแล้วก็เหมือนกับขับรถในยามค่าคืนที่ไม่มีไฟนั่นเองเราจะไม่กล้าขับเร็วและเราจะมีแต่ความหวาดระแวงหวาดกลัว กับภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นี่คือเหตุผลที่พระพุทธศาสนามีวันพระมีวันธรรมมสวรรกันก็เพื่อให้ได้ให้ญาติโยมได้เข้ามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันและเมื่อเวลาฟังเทศฟังธรรมกันถ้าอยากจะฟังให้เกิดประโยชน์ก็ต้องฟังด้วย กายวาจาใจที่สงบมีสติคอยรับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูแล้วคิดตามก็จะเกิดความรู้เกิดปัญญาขึ้นมาดังนั้นในเบื้องต้นผู้ที่จะฟังเทศฟังธรรมจึงควรมีความสงบกายสงบวาจาก็คือศีลนั่นเอง ศีลก็คือความสงบทางกายทางวาจาอย่างในขณะนี้ท่านทั้งหลายนั่งสงบกายและวาจาร่างกายไม่ขยับไม่ทำอะไรวาจาก็ไม่พูดกันแสดงว่ามีศีลไว้รองรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใจตั้งมั่นไม่วกแวกไม่ลอยไปลอยมา ตามความคิดปรุงแต่งต่างๆแต่มีสติคอยควบคุมจิตให้คอยรับฟังเสียงคาก็จะถือว่ามีสมาธิถ้ามีศีลและมีสมาธิก็เป็นเหมือนกับมีภาชนะไว้รองรับน้ำพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเวลาที่เราจะดื่มน้ำ หรือเราจะไปตักน้ำมาใช้สอยเราต้องมีภาชนะเช่นมีถังมีกระป๋งมีแก้วอย่างนี้เราถึงจะสามารถตักน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดอนิสงส์นั้นก็ต้องอาศัย การมีความสงบกายสงบวาจาและสงบใจคือต้องมีศีลและมีสมาธิซึ่งในขณะนี้ท่านก็มีอยู่แล้วถ้าท่านตั้งใจฟังโดยไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ถือว่ามีสมาธิพอต่อการฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็มีประโยชน์ อยู่สองประการด้วยกันประโยชน์ทางด้านปัญญาและประโยชน์ทางด้านความสงมบคือทางด้านของสมาธิถ้าเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจแต่เราตั้งใจฟังที่เสียงไม่ปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังเสียงของธรรมที่มาสัมผัสกับหูและใจยาม ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถึงแม้สิ่งที่เราฟังเราอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ถ้าเรามีสติผูกใจของเราให้อยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสเสียงธรรมนี้ก็จะทำลึกกล่อมให้ใจของเราเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสุขความเย็นความสบายได้สำหรับผู้ที่อยากจะนั่งสมาธิ แต่ยังไม่สามารถนั่งได้ก็สามารถใช้วิธีการฟังเทศฟังธรรมเป็นวิธีการทําสมาธิในเบื้องต้นไปก่อนได้เราฟังเทศฟังเทศไปไม่ว่าจะฟังเทศสดอย่างในขณะนี้หรือฟังเทศที่ได้อัดไว้แล้วบรรจุใส่ไว้ในแผ่นซีดีหรือในเทปล้วเรา เปิดฟังในขณะที่เราอยากจะฝึกทำสมาธิแต่เรารู้ว่าใจของเรายังวอกแวกอยู่ไม่สามารถควบคุมให้อยู่กับกรรมฐานคือพุโทโธพุโทโธได้เราก็อาศัยการฟังเทศไปก่อนเปิดฟังเทศไปเราก็นั่งขัดสมารหลบตาตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ตั้งสติอยู่เฉพาะหน้า คอยรับฟังเสียงธรรมะที่จะมาสัมผัสถ้าพิจารณาได้พิจารณาตามได้ก็พิจารณาไปถ้าไม่เข้าใจไม่สามารถพิจารณาตามได้ก็ให้ฟังเสียงไปพลางๆก่อนเสียงธรรมนี้ก็จะกล่องให้ใจเข้าสู่ความสงบพอจิตมีความสงบแล้วจะปิดเทปก็ได้ แล้วกำหนดดูลมต่อไปก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือบริกรมพุทโธพุทโธไปก็ได้เพราะความสงบนี้มีหลายขั้นหลายระดับด้วยกันความสงบที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมอาจจะสงบอยู่ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ลึกพอยังไม่ถึงความสงบที่เต็มที่ ความสงบที่เต็มที่นี้จะต้องอาศัยการกำหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธพุธโทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกถ้าสามารถควบคุมใจด้วยสติให้อยู่กับการบริกรรมหรือการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเ น, นื่องแล้วไม่นานจิตก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบ ขณะจิตรวมลงนี้จะมีความรู้สึกเหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกเหวมันจะวูบลงไปแล้วมันก็จะนิ่งแล้วก็เกิดความสุขเกิดความสบายเกิดความอิ่มความพอเกิดอุบเบกขาไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรบางครั้งเสียงต่างๆก็จะหายไป หรือถ้ามีเสียงก็จะไม่รบกวนจิตจะไม่สนใจจิตจะอยู่กับความสงบอย่างนั้นถ้าจิตสงบได้อย่างนั้นในขณะที่สงบก็ไม่ควรที่จะไปรบกวนเพราะเป็นเหมือนคนกำลังนอนหลับคนกำลังนอนหลับนี้ไม่ต้องการให้ใครไปปลุกเพราะเมื่อปลุกขึ้นมาแล้วจะรู้สึกเสียอารมณ์ได้และ ต่อแล้วจะกลับไปหลับใหม่ก็ยากเพราะตื่นขึ้นมาแล้วจะให้กลับไปหลับใหม่ก็จะยากจิตที่สงบแล้วที่กำลังอยู่ในความสงบก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ควรที่จะดึงจิตนั้นออกมาถึงแม้เราอาจจะมีธุระที่ต้องทำก็ควรที่จะตัดธุระนั้นไปก่อนเพราะไม่มีธุระอะไรสำคัญ เท่ากับธุระของการทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วอย่าไปรบกวนปล่อยให้เขาสงบไปจนเขาพอแล้วเขาจะถอนออกมาเองเหมือนกับคนที่นอนหลับพอแล้วพอนอนหลับพอแล้วเขาก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาไปทาทำธุระอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกับการอยู่ในความสงบ ถ้าเราถอนออกมาดึงจิตออกมาก่อนที่เขาจะถอนออกมาเองต่อไปเวลาจะเอาให้เขากลับเข้าไปสู่ความสงบนี้จะยากดังนั้นไม่ควรรบกวนจิตที่อยู่ในความสงบปล่อยให้เขาสงบอย่างเต็มที่และความสงบนี้มีสองลักษณะสงบของสมาธิและสงบของการหลับ เราต้องรู้ว่าเราสงบแบบไหนถ้าสงบแบบสมาธินี่จะมีสติสัมปะชัญญะรู้อยู่ทุกขณะว่าตอนนี้จิตเป็นอย่างไรจิตสงบจิตไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งจิตมีความสุขอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความสงบของสมาธิแต่สงบแบบคอพับแบบไม่รู้เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความสงบของสมาธิ สังเกตดูบางท่านเวลานั่งสมาธิแล้วคอจะพับแล้วก็จะไม่รู้เรื่องอะไรมารู้เรื่องอีกทีก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าออกจากสมาธิอย่างนั้นไม่ใช่เป็นสมาธิอย่างนั้นเป็นการหลับเพียงแต่ว่าแทนที่จะเองหลังนอนก็นั่งหลับเท่านั้นเองแต่ประโยชน์ที่จะได้จากความสงบของ สมาธินี้ยังไม่มีประโยชน์ของสมาธินี้มีอะไรสมาธินี้ก็เป็นเหมือนเบรกนี่เองรถยนต์ก็ต้องมีเบรกเวลาขับรถไปถึงเวลาที่ต้องการจะให้หยุดก็ต้องใช้เบรกถึงจะหยุดได้สมาธินี้ก็เป็นเบรกของใจถึงเวลาต้องการให้ใจหยุดก็ใช้สมาธินี้เบรกได้ถ้าไม่มีสมาธ ก็เบรกไม่ได้อย่างที่เขาเรียกว่าสติแตกเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธและรู้ว่าไม่ดีไม่ควรโกรธแต่ก็หยุดความโกรธไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิไม่มีความสงบไม่รู้จักวิธีหยุดจิตนั่นเองการฝึกสมาธินี้จึงเป็นเรื่องสําคัญมากบางท่านบางอาจารย์ท่านสอนว่าไม่ต้องมีสมาธิ นั่นเป็นความเข้าใจผิดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นในมัคแปดพระพุทธเจ้าก็สอนสัมมาสมาธิในไตรสิกขาก็ทรงสอนศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่สนับสนุนกันถ้าไม่มีสมาธิแล้วปัญญาจะไม่เป็นปัญญาจะเป็นเป็นสัญญาความจา หรือเป็นความรู้ที่ไม่มีความหมายอะไรถ้าเป็นมีดก็เป็นเหมือนมีดที่ทื่อไม่สามารถตัดกิเลสตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วปัญญาก็จะแหลมก็จะสามารถตัดกิเลสได้เช่นรู้ว่าดื่มสุราไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่มีสมาธิก็หยุดการดื่มสุราไม่ได้ แต่ถ้ามีสมาธิแล้วหยุดได้อย่างง่ายดายพอรู้ว่าการดื่มสุรา this เป็นโทษต่อตอนเองทั้งร่างกายและจิตใจและทรัพย์สินเงินทองพอรู้อย่างนี้แล้วถ้ามีสมาธินี้เลิกได้ ท, ทันทีเลิกได้อย่างง่ายดายเลิกแบบเฉยๆเลยเลิกแบบไม่ต้องบังคับไม่ต้องทรมานไม่ต้องอดไม่ต้องทนเพราะ เพียงแต่เข้าสมาธิเท่านั้นจิตก็หยุดแล้วจิตก็สงบจิตก็มีความสุขมีความอิ่มมีความพอเป็นความสุขและความอิ่มที่สูงกว่าดีกว่าความสุขที่ได้จากการเดินสุรายาเมาดังนั้นผู้ที่มีสมาธิแล้วนี้สามารถเลิกสิ่งเสพติดทั้งหลายได้เพียงแต่ให้รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีเท่านั้นเป็นโทษเท่านั้น ก็จะสามารถตัดได้ทันทีเลยนี่คือความสำคัญของสมาธิพวกเรานี้มีปัญญากันเยอะเราได้ยินได้ฟังธรรมะกันเยอะเรารู้หมดแล้วว่าอะไรดีไม่ดีอะไรอะไรชั่วไม่ชั่วเรารู้หมดแล้วแต่ทำไมเราปฏิบัติไม่ได้เช่นเพียงแค่ศีลห้าเราก็ยังปฏิบัติกันไม่ได้ปฏิบัติกันแบบรุ่มๆุมดอนดอน ตามอารมณ์ถ้าวันไหนอารมณ์ดีอารมณ์อยากจะรักษาศีลก็รักษาได้แต่ถ้าวันไหนลูกแก่โทสะลูกแก่โมหะลูกแก่โลภะก็ไม่สามารถยับยั้งการกระทำผิดศีลผิดธรรมได้เพราะเราไม่มีกำลังนั่นเองไม่มีเบรกที่จะสามารถหยุดใจของเราให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้นั่นเอง ดังนั้นเรื่องของการทำสมาธินี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากกรบาจารย์ที่ท่านหลุดพ้นกลายเป็นพระอารหันต์อรหนันนี้ท่านเน้นอยู่ที่การทำจิตใจให้สงบก่อนความรู้ต่างๆได้ศึกษามาได้เรียนมาได้ยินได้ฟังมาตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจเหมือนกับคนที่ขับรถรู้ รู้หนรู้วิธีขับแต่รถไม่มีเบรกอย่างนี้กล้าขับออกไปกลางถนนไหมขับได้รู้จั ก, จกข้นทางไปไหนมาไหนได้แต่ถึงสียแยกไฟแดงนี้มันหยุดได้หรือเปล่าคนไม่มีรถที่ไม่มีเบรกนี้ไม่มีใครอยากจะขับออกไปกลางถนนอย่างแน่นอนเพราะรู้ว่าต้องไปประสบกับอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนั่นเองก่อนจะออก ก่อนจะขับรถทุกครั้งเราจึงต้องทดสอบเบรกดูก่อนว่ารถเบรกได้หรือเปล่าถ้าเบรกไม่ได้ก็ต้องเข้าอู่ซ่อมก่อนติดเบรกก่อนเราถึงจะขับรถไปตามสถานที่ต่างๆชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์เหมือนการขับรถยนต์นี้เองใจของเรามีเบรกหรือเปล่าหรือมีแต่คันเร่งมีแต่ความอยากความโลภความโกรธเหล่านี้เป็นคันเร่ง แต่เรามีเบรกหยุดมันหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเราควรที่จะมาเสริมสร้างเบรกในใจของเราด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกจนกว่าจิตของเราจะรวมลงเป็นเอ ก, กตาลมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาเมื่อมันรวมลงแล้วทีนี้เราจะมีเบรกแล้ว เราจะรู้สึกว่าเวลาจะหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดอะไรนี้รู้สึกว่ามันง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้จะรักษาศีลทักทีก็ลําบากรักษาศีลห้าก็ลาบากรักษาศีลแปก็ลาบากรักษาใจไม่ให้ว้าวุ่นขุนมัวก็ลําบากรักษาใจไม่ให้โกรธไม่ให้อิจฉาลิษยาไม่ให้อาฆาตพยาบาทก็รู้สึกว่าลําบาก รักษาใจไม่ให้เศร้าโศกร้องห่มร้องไห้ก็รู้สึกว่าลำบากแต่ถ้ามีสมาธิแล้วรับรองได้ว่าใจจะไม่เป็นอย่างนั้นพอมีความรู้สึกไม่ดีก็เพียงแต่กาหนดพุดโทโธพุโทโธไปหรือกาหนดดูลมหายใจไปเท่านั้นแลความรู้สึกไม่ดีต่างๆก็จะหายไปจากใจ ท, ทันทีนี่เป็นความสำคัญของสมาธิ ศีลก็มีความสำคัญปัญญาก็มีความสำคัญแต่ต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างกันและมีหน้าที่สนับสนุนกันอย่างที่ทรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าศีลเป็นตัวสนับสนุนให้การทำสมาธินี้เกิดขึ้นได้ง่ายดายสมาธิเป็นการเสริมให้ให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาได้อย่างง่ายดายปัญญา เป็นผู้ที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงหลุดพ้นจากอารมณ์ต่างๆหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆธรรมะเหล่านี้เขาสนับสนุนการเป็นเหมือนขั้นบันไดพวกเราจึงต้องปฏิบัติเป็นตามขั้นบันไดไปนอกจากศีลแล้วเราก็ยังต้องให้ทานด้วยเพราะทานก็เป็น บนรดขั้นแรกที่จะทำให้การรักษาศีลนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายนั่นเองผู้ที่ทำทานอยู่เรื่อยๆจะมีเจตที่เมตตาการุณามีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะคิดถึงความเดือดร้อนความทุกข์ของผู้อื่นเวลาจะทำอะไรจะระมัดระวังไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะมีศีลขึ้นมาในใจ ผู้ที่มีศีลภายในใจก็จะมีจิตที่สงบไม่วุ่นวายกับความกระทำผิดศีลต่างๆต่างกับคนที่ทำผิดศีลแล้วจิตจะว้าวุ่นขุ่นมัวจะหวาดระแวงหวาดกลัวกับผลของวิบากที่จะตามมาเวลาทำสมาธิก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นผู้ที่รักษาศีลได้ เวลาทำสมาธินิจิตก็จะสงบได้ง่ายกว่าและเมื่อมีสมาธิเวลาพิจารณาเหตุผลเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตในใจรู้ว่าความโลภความโกรธนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อจิตใจเพราะเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจก็จะสามารถตัดความโลภความโกรธความหลงได้ พอรู้แล้วว่าเก็บไว้ไม่ได้นั่นเองเป็นเหมือนเชื้อโรคเรารู้ว่าเวลาเรามีเชื้อโรคเช่นในขณะนี้มีโรคหวัดระบาดกันอยู่ถ้าเรารู้ว่ามีเชื้อโรคหวัดเข้ามานี่เราต้องรีบหายาเพื่อทำลายมันทันทีเราไม่เก็บมันไว้เราไม่เลี้ยงมันไว้เพราะรู้ว่ามันฆ่าเราได้นั่นเองฉันใดความโลภ ค, ความโกรธความหลงก็เป็นเหมือนกับเชื้อโรคหวัดมันฆ่าเราได้ แต่มันฆ่าด้วยความทุกข์ฆ่าด้วยความทรมานใจและมันจะหลอกให้เราฆ่าตัวตายได้เวลาที่เราทุกข์มากๆนี่เราจะไม่อยากจะอยู่เราก็จะฆ่าตัวตายได้นี่แหละมันร้ายกาจเหมือนกับโรคเหมือนกับเชื้อโรคหวัดถ้ามีสมาธิแล้วมันจะเห็นทันทีภายในใจเวลาโรคขึ้นมานี้ใจจะร้อนขึ้นมาจะปะทุ ข, ขึ้นเมืองเหมือนกับภูเขาไฟระเบิด พอมันรวบปับ๊บมันโกรธปับ๊บมันหลงปับ๊บนี่มันจะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีพอมันร้อนปัญญาก็จะเข้ามากำจัดมัน ท, ทันทีพองกำจัดไปเรื่อยๆต่อไปจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่แหละคือเรื่องของการเข้าวัดในวันธรรมัสสวานะที่พวกเราควรจะกำหนดกันขึ้นมาเองถ้ามาตามวันพระแบบสมัยโบราณได้ก็มา ถ้ามาไม่ได้ก็ต้องมาวันพระแบบสมัยปัจจุบันเราต้องทันสมัยต้องปรับตัวเองให้ทันกับสมัยอย่าให้กิเลสมันหลอกเราว่าวันพระเราต้องทำงานก็เลยไม่เข้าวัดวันเสาร์วันอาทิตย์เราต้องพักผ่อนเราต้องเที่ยวเราก็ไม่เข้าวัดถ้าอย่างนี้กิเลสมันชอบเพราะกิเลสมันชอบความมืดมันชอบหลอกเราให้เราโลภให้เรากดให้เราหลงแต่กิเลสนี้มันสนุก มันจเจริญ ง, งอกงามดังนั้นขอให้เราพยายามเข้าวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อมาเสริมศรัทธาความเชื่อเพื่อมาเสริมวิริยะความอุตสาหะภาคเพียงถ้าเรามีศรัทธามีวิริยะแล้วต่อไปผลที่ดีต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา